Book 2 <50 S 3> ูห้าสิบเปโซดิเอตเปโซดิ i s ตที่สระว่าย น, าน้ำาพชวันนี้อากาศร้อนซอ t อ ส, ส, อ ต, อสติ s เ t ็ต เเราไปสระว่ายน้ำกันไหมอคนชคคุณอยากไปไว่ายน้ำไหมอา e นยมคุณมีผ้าเช็ดตัวไหม อาคนปเอเคเนปเคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมอาเครนเยอาเรบาบานเยคุณมีชุดว่ายน้ำไหมอาเคคุสซุอาเคุสมบนเยะ คุณว่ายน้ำได้ไหม d i t o t o d i คุณดำน้ำเป็นไหม a d i t u t o s h i t j u h คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม a d i t t e n u i a l i t h i e อาบน้ำได้ที่ไหน Kuch d o s t i k u h d s i ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Kuch kabinas veščes Kuch k a b i n a v e e s เว้นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Kuyan suzetenotit ค u j a n ซูเจตเอโนติดน้ำลึกไหมอื้อฉิเซลอ l ยอื้อฉิเซลอุยน้ำสะอาดไหมอื้อฉิพัสเตอร์อตอน้ำอุ่นไหม ออผมหนาวมากกรน้ำเย็นเกินไปอผมจะขึ้นจากน้ำแล้ว